นิสัยสี่ 1. บรรพชาอาศัยโภชนะคือคำข้าวที่พึงได้ด้วยปรีแข้งเธอพึงทาอุตสาหะในโภชนะคือคำข้าวที่พึงได้ด้วยปรีแข้งนั้นจนตลอดชีวิตอติเรกก ร, ราบคือสังคพัฒ์อุเทสพัฒน์นิมมันตนพัฒสลกพัฒ์ปัิกพัฒน์โอโปสถิกพัฒ ปาติปฏติภพัสสบรรพชาอาศัยผ้าบังสุกุลเธอเพิ่งทำอุตสาหะในผ้าบังสุกุลนั้นจนตลอดชีวิตอัตรีกลาบคือผ้าเปลือกไม้ผ้าใยผ้าไหมผ้าคนสัตว์ผ้าป่านผ้าเจือกัน 3. บนรรพชาอาศัยเสนาสนะคือควงไม้ เธอพึงทำอุตสาหะในเสนาสนะคือควงไม้นั้นจนตลอดชีวิตอัติเรกกราบคือวิหารเรือนมงแถบเดียวปราสาทเรือโลนถ้ำสี่ปัรประชาอาศัยยาคือน้ำมูดเน่าเธอพึงทำอุตสาหะในยาคือน้ำมูดเน่านั้นจนตลอดชีวิตอัติเรกกราบคือเนอยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อย อุปชายวัตภานวันที่หจบปนามิตรกถาจบ